สิกขาบทที่หเรื่องพระชัพพะคี580สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัรธีครั้งนั้นพวกพิสุชฉัพพะคีเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปในละแวะกบ้านพระบัญญัติ5พึงทำความสำเนียกว่าเราจะสำรวมดีไปในละแวะกบ้านเรื่องพระชัพคีจบ สิกษาบทวิพังพิสูจพึงสำรวมดีไปในละแวกบ้านภิสูุใดไม่เอื้อเฟื้อขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฎอนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นพิสูุไม่จงใจ2อพิสูุไม่มีสติ3าพิสูุผู้ไม่รู้4ีพิสูจผู้เป็นไข้5้พิสูจผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิสูุวิกลจริตเจพิกูจต้นบัญญัติ สิขาบทที่5จบ